ขอความสุขความเจริญจงดีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปฐุมกำลังนำเสนอพระสูตรในสังยุตติกายมาโดยลำดับวันก่อนนั้นได้พูดถึงยันยสูตรคือสูตรที่ว่าโดยการบูชายันของพระเจ้าประเสนที่กุศลแล้วก็ได้นำ ความหมายของยันแต่ละข้อมาเสนอว่าตามพื้นฐานความเชื่อของสังคมอารยันยุคโบราณเขาเชื่อจังไงและพระพุทธเจ้านำมาปฏิรูปที่จริงไม่ใช่ปฏิรูปอะคือพลิกกลับไปเลยเพราะก่อนหน้านั้นนี่มันเป็นเป็นไปอย่างที่พระพเจ้าทรงแสดง ก็คือหมายความมาเป็นหลักการในการบริหารราชการแผ่นดินของพระมหากษัตริย์ในนครรัฐต่างๆพันท่านยังเรียกว่าราชสังฆะเปรีบปการสงเคราะห์ของพระราชาหรือการสงเคราะห์ที่นำความชื่นชมยินดีมาสู่อนณาประชาราชัษดรในตัวหมายยันเองมีมีห้าประเภทแต่ว่าใน เอกสารของประเทศไทยที่เราเรียกว่าราชนิติเนี่ยคือนำมันลงไว้เพียงสี่ประเภทซึ่งถือว่าเป็นเรื่องแปลกก็ตั้งแต่อ่านพบมาแล้วเราก็ข้องใจนะว่าในพระบาลีมันมีห้านี่นะและทำไมมันมีสี่ส่วนทศพิราชธรรมราชไอ จักกวาดิบัตเนี่ยก็มีตามที่พระบาลีมีเนื่องจากพระสูตรนี้เป็นยันยศสูตรคือเป็นสูตรที่ว่าโดยการบูชายันก็เลยเอามาทั้งหมดคือครบทั้งหประการก็เนื่องจากวันก่อนมันรัวคือพูดเร็วไปหน่อยวันนี้ก็อยากจะนำมาทบทวนอีกสักครั้ง แล้วก็จะให้ท่านผู้ฟังได้มองเห็นว่าสังคมมนุษยชาติเนี่ยมันได้พัฒนาไปไกลมากแล้วมันไอาการที่โลกเป็นบนกลมเนี่ยมันหมุนกลับเราดูราชสังหาคือคือคือราชสังหา4สีข้อนะฮะเราเทียบเฉพาะราชสังหา4สีข้อว่าก่อนพระเจ้าโอกะกาก ร, ราชเนี่ย ซึ่งเป็นปสมโมบงของพระพุทธเจ้าเราก็ไม่รู้เริ่มเมื่อไรนะฮะแต่บนเป็นอดีตการที่นานไกลมากๆแล้วก็แสดงว่ากว่าจะมาถึงเจ้าชายจิตถะคือพระพุทธเจ้าเราเนี่ยมังคงจะผ่านกษัตริย์มาเยอะเพราะว่ามานาครสมัยนั้นเช่นราชวงศ์ชาีมันก็ผ่านมาเยอะมาก คือมันเริ่มจากคนเพียงสองคนอยู่บริเวณที่แคบแคบจนขยายบ้านเมืองออกไปถึงเจ็ดครั้งด้วยกันแล้วขยายสกุลออกไปถึงเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสกุลแล้วในแต่ละสกุลมีคนเท่าไหร่ การแตกสกุลออกไปอย่างนั้นแสดงว่าเป็นหลายชั่วคนมากๆแล้วก็หลายร้อยหลายพันปีประการสืบราชวงศ์สมัยโบราณเนี่ยแม้แต่ญี่ปุ่นเนี่ยเราจะเห็นว่าเข้าเป็นพันๆปีของเราก็ไม่เบาเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนราชวงศ์เยอะแค่นั้นเองก็งเราอย่างน้อยมันก็ที่ต่อๆกันพอสมควรแต่ก็หลายราชวงศ์เนี่ยก็คือก็รวมแปดร้อยปี ส่วนคอหน้านั้นมันก็เป็นนครรัฐที่กระจัดกระจายกันอยู่แต่สุดแล้วก็เป็นเรื่องบรรพชนของไทยมันก็แสดงให้เห็นว่าระบบการปกครองสมัยโบราณเนี่ยเข้มแข็งแล้วก็ต่อเนื่องมากแต่ก็คงเฉพาะบางนครรัฐนะฮะคงไม่ใช่ทุกๆนครรัฐคือเดี๋ยวพบร่องรอยเนี่ยที่ร่องรอยหน้าตื่นเต้นเนี่ย คือร่องรอยอย่างหนึ่งคือการต่อสู้กันในสงครามมันได้แสดงถึงพัฒนาการทางจิตของมนุษย์โดยยุคหนึ่งเนี่ยเอาตัวแม่ทัพมาต่อสู้กันแล้วก็พิสูจน์การแพ้กันชนะกันโดยคนอื่นไม่ต้องยุ่งเกี่ยวแม่ทัพสู้กันเลยคือมาความองค์กษัตริย์ต่อกษัตริย์เนี่ยมาสู้กันด้วยฝีมือปุกอาวุธส่วนใหญ่ก็ขีม่ม้ายิงธนูฟันดา แล้วก็ไม่ใช่สู้กันกันกันที่ยิงคนนะฮะหมายความว่าการขี่ม้าก็โชว์การขีม่ม้าการยิงธนูก็โชว์การยิงธนูการฟันดาบนั้นก็อาจจะโชว์การฟันด้วยกันแต่ว่าไม่ใช่ถึงก็เข็นฆ่ากันเป็นลักษณะคล้ายๆการประลองควาใดควายหนึ่งชนะก็ถือว่าบ้านนั้นเมืองนั้นชนะก็ยอมเป็นเมืองขึ้นเอียกเมืองที่ เอ่อเมืองเมืองที่พ่ายแพ้ก็ยอมเป็นเมืองขึ้นของเมืองที่ชนะพอมาถึงอีกระดับหนึ่งเนี่ยมันเป็นการต่อสู้กันทางทางวิธีปฏิบัติท่าชีต่อต่ออารมณ์ต่อบุคคลว่ามีท่าที่ยังไงเช่นว่าคนด่าเนี่ยคนด่ามาเนี่ยมีท่าที่ยังไงห ม, มายความเอากุณธรรมมาต่อสู้กัน แล้วใครมีคุณธรรมเหนือกว่าคนนั้นก็ชนะอันนี้คือสุดยอดนะฮะแต่จริงมันมันมันมีระดับสองอยู่อีกอันหนึ่งเอ่อคือว่ามาถกปราญากันมาคามากล่าวคำที่เป็นสุภาษิตหรือคำที่คมๆเนี่ยแข่งกันแล้วใครกล่าวคำเหล่านั้นได้ถูกต้องมากกว่าก็ถือว่าชนะ แสดงว่ามนุษยชาติในผ่านความยิ่งใหญ่มาเยอะนี่คือเรามองจากมิติทางประวุทิศาสนาแต่ถ้าเรามองมิติทางโบราณคดีหรือทางประวัติศาสตร์ประวติศาสตร์ที่มีการศึกษากันแบบฝรั่งเนี่ยมันก็คล้ายๆจะไม่นานแล้วพูดถึงประวติศาสตร์ก็ย้อนอดีตไปไม่นานเท่าไหร่ แต่ว่าพรุศสนานั้นไม่ได้นับนะครคือนับไม่ได้แต่ต้องการให้เห็นนะฮะว่าแม้ต่ศีลห้าเองศีลห้าเนี่ยปัจจุบันเราต้องใช้กฎหมายเข้าช่วยหมดทุกข้อเลยการฆ่ากันก็ต้องใช้กฎหมายช่วยการลักทรัพย์ก็ใช้กฎหมายช่วยการประพฤติผิดทางประเวณีเขาใช้กฎหมายช่วย การโกหกหลอกลวงรบกลุนกันการกล่าวหาใส่ร้ายใบสีกันก็ใช้กฎหมายสู้ช่วยยาเสพติดก็ใช้กฎหมายช่วยสีเอาไม่อยู่เลยโลกจเจริญ น, นะฮะวัตถุจะเดิญมากแต่สีเราไม่อยู่แล้วกฎหมายบันทีกฎหมายธรรมดาเอาไม่อยู่ต้องใช้กฎหมายธรรึกเอา้าบางทีกฎหมายกฎหมายธรรึกเอาไม่อยู่ต้องใช้ภาวะฉุกเฉินประกาศภาวะฉุกเฉินเฉพาะจุด มีการปราบปรามกันอย่างเด็ดขาดแล้วก็รุนแรงจนถึงก็บาดเจ็บร้งตายแล้วไม่รู้ทําไปทําอะไรนะแต่ว่านี่คือปัญหาของของคนเรออาจะพูดถึปัญหาของมนุษย์ไม่ได้เพราะมนุษย์ใจสูงเกินที่จะไปมีพฤติกรรมอย่างนั้นมนุษย์ได้ความหมายที่แท้จริงน่ยมันใจสูงเพราะว่าประกอบด้วยกุศลกับบทสิบอย่างที่เราเคยผ่านพบมาเสมอเนี่ย ทีนีมน้มันเรารูแล้แคล้ายๆกับโลกมันหมุนกระยานเหล่านี้ในสมัยก่อนพระเจ้าโอ ก, กระกากราชก็เป็นข้อที่พระพุทธเจ้ารับสั่งเล่าเองนะฮรับรับสั่งด้วยประสบปัญญยุตยานคืออตีตังสยานพระญาณในสูตรอดีตที่ส่งระลึกได้เนี่ยว่าเดินจริงๆไม่ใช่อย่างนี้ปกันหัพรามซึ่งเป็น ลูกเขยของพระเจ้าโอก า, กากราชมาเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเรื่องการแสวงหาประโยชน์ของผูกพราหมาศานมากๆในข้อแรกคือสองข้อนี้บางทีมันก็สลับกันอยู่คือเขาเอาสัตส์เมตตาขึ้นก่อนหรือปุริสัตเมตะขึ้นก่อนก็ช่างแหละเอาอะไรขึ้นก่อนขึ้นหลังก็ไม่แปลกอะไร อัศเมธะหรือสัตอัสวเมธะเป็นการฆ่าม้าบูชายัญ น, นี่นี่คือที่เปลี่ยนแปลงหลังพระเจ้าโอการกากราตได้แก่การข่าม้าบูชายันเพื่อบูชาเทพเจ้าตามพิธีอัศเมตถึงอัศเมตเนี่ยต้องฟังคงนึกออกในเรื่องรามเกียรตอนปลา ย, ลายนะตอนสมัยที่พระมงกฎุฎพระลบเป็นหนุ่มขึ้นมาแล้วเนี่ย ที่ฮนุมานตามกระบวนกรกระบวนม้ารนะฮะกระบวนการกองทัพไปก็เรียกปล่อยมาอุปการมาก็จะนำไปข้างหน้ากองทัพผ่านบ้านใดเมืองใดถ้ากรอกมปล่อยมาให้ผ่านก็ถือว่ายอมเป็นเมืองขึ้นยอมขึ้นตรงต่อกองทัพตอนกองทัพก็จะเข้าไป เกณฑ์เอาทหารเกณฑ์เอาเสบียงเกณฑ์เอาอาวุธอะไรต่างๆมาเสริมกองทัพก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมาก็รุกไปเรื่อยๆแต่ในกองทัพใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนี่ยบางเล็กเมือง น, น้อยมันก็ระเนระ น, นาดไปแต่ไม่ใช่ฆ่าทำลายนะครับคือว่าเป็นการใช้พิธีปล่อยม้าอุปการแต่ถ้าเมืองใดที่เขาจับมา้าหรือฆ่าม้าเนี่ยกองทัพก็จะมุกข้าโจมตีตอนนี้จะสู้กัน แต่ก่อนทับชนะก็ยึดเหมือนกันแต่นี้รุนแรงหละทีเนี้แล้วก็มานั้นก็น่าสงสารนะคือกลับมาจากเสร็จศึกที่ ท, ที่ที่ล่าบ้านเมืองต่างๆมาเป็นของกรรษกัตริย์คนตัวเองเนี่ยกลับมาถึงถูกฆ่าท่านที่ไปอินเดียเนี่ยก็จะเห็นว่าเรียกว่าท่าทัศน์สาวเมศจ็มีการฆ่ามามาสิบครั้งละเรื่องใหญ่สมัยโบราณ น, นะส่วนหนึ่งก็เป็นตำนานประลำปรา ส่วหนึ่งก็เป็นยุคสมัยที่พอสืบสาวกันไปได้เพราะงั้นพิธีกรรมเหล่านี้มันก็ถือว่ารุนแรงแล้วจะยังหมายถึงการบูชาด้วยสมบัติทุกอย่างเบื้องีดินและคนเขาตั้งเาสาอยานาันยี่สิบเอ็ดเสาสาหรับผูกสัตว์ที่จะต้องค่าประมาณห้าร้อยเก้าสิบเจ็ด ชนิดนะไม่ใช่ห้ารอยห้ารอยก้าเจ็ดตัวเราก็นึกไปออกว่ามีอะไรบ้างถึงตั้งห้ารอยเก้าสิบเอดชนิดเนี่ยแล้วก็ทำการบูชาอยู่หลายวันกว่าจะเสร็จพิธีบางแห่งเรียกว่าสัตสเมทะก็คือฆ่าม้านี้แปลว่าฆ่าเลยนะเมเมธะตรงนี้ทีนี้พระเจ้าส่งอธิบายว่าเดิมทีเดียวเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอก เดินทีเดียวเป็นการฉลาดในการบำรุงอาชีพของอาณาประชารัศดรส่งเสริมอาชีพของอนณาประชารัศดรโดยรัฐเข้าไปเสริมอาจจะเป็นตอนต้นอาจจะเป็นตอนกลางๆตลอดถึงตอนปลายคือหมายความหมายความว่าสินค้าที่ผลิตขึ้นเนี่ยมันเดินทางของมันเนี่ยไปจนถึงผู้บริโภคแล้วก็เงินตาก็มาสู่เจ้าของผู้ผลิต ในกิจการเหล่านั้นก็นแล้วแต่นะฮะอาชีพแต่ว่าใ น, ในสมัยโบราณมันไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมแต่เราอย่าลืมมันเป็นเรื่องเดียวกัน ก, ม ก, ก, กรรม็มีการเกษตรกรรมมีการกษิกรรมมีการโครักกรรมแล้วการเก็บภาษีตามธัญญาหารที่ผิดได้สิส่ว น, น ค, คืออ่ ผลิดผลที่ผลิดได้แล้วก็จัดแบ่งเป็นสิบสามส่วนแล้วก็เสียภาษีหนึ่งส่วนจะมากหรือน้อยกว่าปัจจุบันเราก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าแนวตัวนี้เราเราลองสังเกตว่าแนวศาสนาเทวดิยมเนี่ยเขาจะมีเสียเสียเงินบำรุงศาสนาสิบเปอร์เซ็นของรายได้เขาเรียกว่าสิบลดภาษาไทยเรียกว่าสิบลด นี่เราจะเห็นว่าถ้าถ้าอย่างนี้ร่วมสมัยเลยถ้าศัตสูเมทะหมายความมาอย่างนี้คือร่วมสมัยเพราะว่ารัษจะเข้าไปส่งเสริมอาชีพราศดก็ทำไม่นึกถึงคำกล่าวของหญิงชาราชาวป่าไม่ใช่ไปจะต่อหน้านะฮะคือว่าพระเจ้าจันทรคุปต์ตอนนั้นเป็นหมาโจรจันทรคุปต์ไป หนีกองทัพแตกคือไปจะยึดเมืองขยาเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่ากองทัพมันแตกสู้ไม่ได้แล้วก็ไปแอบซุ่มอยู่หลังบ้านยายแก่คนหนึ่งก็อยู่กับหลานยายแก่กำลังทอดขนมเบื้องแล้วก็หลานอาพอตักออกมาเนี่ยเด็กก็เริ่มจับแล้วกินเลยเลยร้อน คนใยญ่ก็ดา่าไอ้แก่นี่ไม่รู้จักประมาณขนมเมืองนะ่ะเขาก็จิบจิบไปจากข้างนอกมันไม่ไปกินตรงกลางอย่างนั้นมันร้อนเปนเหมือนก็เจ้าช่งช่างเหมือนกับเ้าหมาจนจันทรคุปจริงๆจะตีบ้านตีเมืองทั้งทีไปตีในเมืองหลวงทำไมไม่ตีมาจากข้างนอกล่ะก็ต้องใช้ป่าล้อมเมืองครับมา มันเหมือนกินขนมเบื้องเนี่ยทีนี้สูตรตรงนี้นะสูตตรงนี้เราจะเห็นว่ามันมันเป็นระบบการคิดที่ที่ถูกต้องแล้วก็สมเหตุสมผลที่สุดแต่ว่าบางทีเนี่ยเราไปยึดติดในในรูปแบบของความคิดอย่างใกล้ๆกระตั้งเสียวผิงเขาบอกว่าแม้มันจะเป็นสีอะไรก็ช่างมันนะมันจับหนูได้ก็แล้วกันนั่นคือเนื้อหาสาระว่าการจะส่งเสริมคนเนี่ย เขาเป็นใครมันสําคัญเราเขาทำงานได้หรือเปล่าเราเกิดผลประโยชน์แกประเทศชาติหรือเปล่าการปกครองไม่จําเป็นจะต้องเป็นประชาธิปไตยเป็นอะไรก็ได้แต่ว่ามันเกิดประโยชน์สุขแกนาประชาราษฎรเพราะไอ้ตัวเนี้มันมันพิสูจ น, น์พิสูจน์ตัวเองมาแล้วในประวัติศาสตร์มันไม่ใช่ข้ อ, อยุติอะไรเลยจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างโน้นเนี่ย แต่ข้อมีข้อแม้ว่าต้องมีธรรมะเป็นตัวกำกับเท่านั้นเองพอตะขาดธรรมะเป็นตัวกำกับแล้วระบบไหนก็เอาไม่รอดนะเห็นไหมว่าความคิดว่าแมวเสียอะไรก็ตามให้จับหนูได้แล้วกันมันไม่ได้หมายเฉพาะเรื่องแมวจับหนูแต่หมายถึงหลักการวิธีการทั้งหลายซึ่งก็ตรงกับที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง มาพบหลังจากบวชหลายปีนะฮะจริงก็ออกมาพบพบเราตื่นเต้นมากเลยเป็นการเล่นคําอยู่ในฉันทะลัก้วยแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยสาระธรรมันเปี่ยมล้นจริงๆเลยบาลีใช้คำายะถายะถายะถะลาเพทอัดถังตัดถาตัดถาตัดทะปรักมยะตัดถาตัดถาตัดทะปรักกมยะ ประโยชน์พึงเกิดขึ้นในที่ใดๆโดยวิธีใดๆให้บุคคลใช้ความเพียรพยายามในที่นั้นๆโดยวิธีนั้นๆไม่มีรูปแบบไม่มีการยึดถือรูปแบบข้อสําคัญว่ามันเกิดประโยชน์ไหมคือวิธีการมันไม่แปลกวิธีการอะไรก็ได้แต่มันเกิดประโยชน์เพตอนบางเรื่องบางราวเนี่ยเราไปยึดติดในรูปแบบ แล้วก็จนว่าไอ้เนื้อหาจริงๆคืออะไรล่ะเนื้อจริงๆคืออะไรวันก่อนเนี่ยไปฟังเขาสัมมนางานวิจัยของนักศึกษาปัญญาโทรเราก็ฟังแล้วว่ามันมันเราต้องการอะไรอะ เราต้องการให้เกิดการความความเปลี่ยนแปลงที่ไหนล่ะมันเหมือนกับการก็ เ, เรียกว่าทํางานเอกสารต่างๆของครูอะ่ะจะต้องมีข้อเสนอมีเอกสารอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นยังไงการวัดผลของครูมันไม่ใช่วัดผลที่ครูมันวัดผลที่ความเปลี่ยนแปลงที่นักเรียนคือเขาดูที่ตัวงานอะ่ะตัวกรรมอะ่ะไปดูที่คนได้ไง คือไม่จําเป็นนะครูปรัญญาเอกบางทีก็อาจาจะสอนสู้ครูปรัญญาตรีไม่ได้เพราะต้องต้องดูที่ความเปลี่ยนแปลงของเด็กว่าเราต้องการอะไรกับเด็กล่ะเราต้องการความรู้ต้องการความคิดต้องการความสามารถต้องการคุณธรรมเด็กมันมีพัฒนาการในเรื่องเหล่านี้ไหมครูอาจจะส่งเอกสารเปื้อๆแล้วใครไม่ได้อ่านครูเองก็บางทีอ่านไม่เข้าใจครับเราไปลอกเข้ามา แล้วก็บางทีลอกซ้ํำซากอย่างวิทยานิพนธ์เนี่ยลอกซ้ําซากลองแล้วลอกอีกในวิทยานิพนธ์ที่เพื่อนทํากันมานะเพื่อนก็นลอกต่อก็ไม่ได้กลับไปสู่ชิมาจริงๆหรอกส่วนหนึ่งเนะี่ยเพราะฉะเราเราจะเห็นว่าวิธีการตรงนี้ยถ้าเรามายึดติดอะไรมากเกินไปเนะี่ยมุ่งที่ความสําเร็จประโยชน์เป็นประการสําคัญ ถามว่าปกครองรูปไหนก็ไม่รู้สิอะไรก็ได้เพราะอะไรเพราะเคยพิสูจน์ตัวเองอย่างสมัยพระเจ้าอาโศกเนี่ยที่จริงก็คือประเด็จการเป็นราชาทิปไตยเป็นสมบูรยานาสิทธิราชแต่พระองค์เอาธรรมมาทิปไตเข้าหล่อเลี้ยงทุกขั้นตอนของการบริหารราชการแผ่นดินคนสมัยนี้อาจจะเรียกว่าธรรมพิบานอาจจะเรียกอะไรก็เถอะก็ไม่ได้ว่าอะไร แต่ในศาสนานั้นเรียกว่าธรรมาธิปยไตยมันหาข้อยุติกันที่ธรรมะถูกต้องธรรมะไหมธรรมะก็คืออะไรก็ไม่รู้แหละมันเป็นประโยชน์เกอกูลและวเมื่อความสุขให้นั่นคือบทพิสูจ์ทดสอบสามคำแต่นั้นเองทิงนั้นเป็นประโยชน์ไหมรู้ได้ยังไงไม่เป็นประโยชน์คือเกื้อกูลแก่บุคคล น, นั้นๆและบุคคลทั่วไปหรือไม่ไมรู้ได้ยังไงมันเกือกูลคือเขามีความสุขหรือเปล่าล่ะ ถ้าก็มีความสุขใช่ถูกต้องถ้าก็ไม่มีความสุขก็ไม่ถูกต้องนี่หลักแล้วถ้าเราถ้าเราจับหลักอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะไม่จำเป็นต้องยึดติดในรูปแบบอะไรไม่จำเป็นจะต้องยึดติดในบุคคลเรามองที่กรรมอย่างที่บอกนะาศาสานาพุทธนี่ยมองที่กรรมไม่ได้มองที่คนคือไม่ได้มองที่ใครแต่ว่ามองว่าอย่างไรแล้วก็เป็นประโยชน์ย่างไง แน่นอนบางครั้งเนี่ยคนบังคนมันทำไม่ได้เพราะงั้นยังมีอีกข้อหนึ่งที่ส่งแสดงที่เรียกปุริสะเมธะคืออันนี้อันนี้แรงนะฮะที่จริงแปลว่าการฆ่าคนส่วนมากแล้วก็จะเป็นเฉลยสงครามเป็นการฆ่าผู้บูชาเทพเจ้าที่ตนเชื่อว่าทำให้ตนชนะสงครามเพราะตรรุในชาดกชาดกที่มีตั้งห้าร้อยห้าสิบเรื่องนะฮะ มีเรื่องเยอะเรื่องเหล่านี้แต่ว่าเราศึกษาเป็นนิทานไปเราอ่านไม่ได้วิเคราะห์ในแง่ว่านี่คือธรรมะที่เป็นรูปธรรมมีเจตนาแล้วมีการกระทําแล้วมีผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําแล้วเป็นกุศลและอกุศลมันก็เป็นคํามันแล้วถ้าใครเดินไปอีกมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะอย่างในสาธุณธรรมที่ข้อแรกเลยนะ จงเดินไปตามหนทางที่ท่านเคยเคยเดินมาแล้วหมายความบัณฑิตมีเยอะในอดีตการนานไกลนะท่านประสบความสําเร็จมาแล้วเราควรรุ่นหลังเดินตามท่านไปที่จะประสบความสมําเร็จเช่นเดียวกันนั่นแหละก็คืออะไรก็คืออยากเข้าพานเข้ บ, บัณฑิตนั่นแหละมันไม่มีอะไรใหม่มันม่มีอะไรใหม่มันมีอยู่ก่อนทั้งนั้นเลย ที่พระญาติศัตรูก็ไม่ใช่ของใหม่นะฮะแต่ศัตรูขอเก่าของเก่าคือมีอยู่ก่อนธรรมะมันมีมาคู่โลกแล้วก็น่าจะเกิดก่อนโลกนะฮะธรรมะนี่มันมีมาเกิดก่อนมันเกิดก่อนโลกแล้วก็โลกเองมันก็เป็นผิดผลกองธรรมะเป็นธรรมาทิติเป็นธรรมนิยามเป็นพืชนิยามเป็นอุตุมนิยาม แน่นอนมันไม่มีไม่ใช่กรรมมรรยาบตัวโลกเองนะฮะตัวดวงดาวเองเนี่ยมันก็เป็นเป็นธรรมนิยามเป็นอุตุนิยามและเป็นพิธนิยามมันเกิด อ, อย่างนิยามนะฮะนิยามทั้งหลายเนี่ยทีนี้พิธยันอย่างเนี้ยก็แต่ทานที่ทำกันจริงๆคือการบูชา ย, ยานันด้วยสมบัติทั้งปวงรวมถึงที่ดินด้วยแต่พุทธศาสนา นะหมายความที่ พ, พระพุทธเจ้าย้อนต้นให้ดูนะก่อนพระเจ้าโอกากระเดิมชีเดียวมันเป็นการฉลาดในการบำรุงคนการเลือกคนวางคนในเหมาะสมแก่ความรู้ความสามารถฝีมือคุณธรรมของคนเราเนี่ยคนนี้อยู่ตรงนี้มันเกี่ยวข้องกับเงินกับทองกับผลประโยชน์ไอคนขี้โลภมาอยู่ไม่ได้หรอกมันช่อชนมันยักยอกอันเอาราเอาเปรียบ เันปัญหาปัญหาบางครั้งเนี่ยคือเวลามีกระแสะสังคมเราเวลามีกระแสะอะไรแล้วก็คิดแปลกๆจะยึดทรัพย์คนนั้นยึดทรัพย์คนนี้ยึดทรัพย์คนน้ น, ค, น, น, นคืออย่าลืมว่ามาตรฐานเนี่ยเลือกปฏิบัติไม่ได้ที่เราพูดเราพูดด้วยโทษากติโดยโมหกติว่ากฎหมายนี่เลือกปฏิบัติไม่ได้ ถ้าถือว่าจะตรวจสอบทรัพย์สินในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีต้องตรวจสอบย้อนหลังไปเพราะเป็นกฎหมายอายาย0สิบปีเอาตัวทั้งหมดเอาไหมล่ะนี่คือคือคื อ, ค, อคือสิ่งที่เราต้องคิดมากแต่ในอาการการการแสดงอะไรเนี่ยบางบางทีมันเป็นความมาคาดมาดร้ายเป็นการกระทืบซ้ำเป็นวิหิงสาซึ่งเขาไม่ใช่วิธีทางทางธรรมะ เระการฉลาดในในตัวคนเนี่ยอย่างที่กคยยกตัวอย่างฟังวันก่อนว่าประทับใจในคำพูดของคุณธนินเยนบนนันนลนะฮะก็จะเป็นรายการรายการรู้สึกก็สัมมนาแล้วก็มาออกโทรทัศน์ช่องสิดคือชอบฟังที่เขาเขาพูดเป็นธรรมชาติไม่ไม่มีวิชาการเป็นพูดมาจากภาคปฏิบัติไม่มีสับแสงทางวิชาการไรพูดไทยๆเลย ธรรมดาธรรมดาคนดีในโลกนี้เป็นของซีพีเห็นไหมเราไม่มีการเล่นภาคไม่มีการเล่นพวกไม่มีการศาสนาอะไรอยู่ภาคอะไรจังหวัดอะไรไม่เกี่ยวเลยคนไทยก็แล้วกันเขาเหมาะสมอยู่ตรงนี้แหละคุณจะเอาศาสนามายุ่งคุณจะเอาภาคมายุ่งคุณจะเอาจังหวัดมายุ่งปนอาภูเขาเลยนะฮะตัวเนี้ย ปัญหาภูเขาเลยแก้ไม่ได้คือบางทีเนี่ยมันแม้แต่สังคมสงเองเนี่ยเป็นปัญหาเป็นปัญหาใหญ่มากๆเลยมามองภาพมานานเอไปไม่รอดลวมั้งทางจะไปไม่รอดละมั้งเพราะว่าเนื้อหาสาระของความเป็นพระพุทธศาสนาเนี่ย ที่ต้องการความจางคลายนะฮะที่เคยบอกว่าพระมอาจารย์เนี้ยเพื่อสำรวมระวังเพื่อละเพื่อคลายเพื่อดับดับไรดับกิเลสคือนิพพานนะฮะคลายก็คือคลายกิเลสสำรวมก็คือสำรวมยาให้ตกอยู่ภายใต้นหน้ากิเลสละก็คือละกิเลสทั้งหมดเนี่ย หมายความว่าเป็นการพูดเรื่องอะไรเขาเรียกว่าเหตุแห่งทุกข์กับความรับทุกข์ตัวจะหยิบประเด็นไหนขึ้นมาพูดก็ได้นะฮะเพราะฉะั้นวิธีการตรงนี้เราจะเห็นว่าปัญหาเรื่องคนไม่เหมาะสมกับงานเนี่ยเขาเรามีเยอะแล้วก็กลายเป็นลักษณะที่เราพูดกันมนานาแล้วโง่ขยันเนี่ย แล้วก็ทำให้เป็นลูกตุ้มทวงสังคมเป็นโครนติดลมหรือว่าล้อติดลมก็ได้นะฮะโครนติดล้อก็ได้ล้อติดลมก็ได้ก็คือกันมันเป็นเหนียวรังสังคมออกไปแล้วการปิดกั้นคนดีแล้วก็ยกย่องคนผ่านทำให้คนดีแก่ลงทุกวันแก่ตายไปเลยไม่มีโอกาสนะคนผ่านก็จะเดินก้าวหน้าไปโดยชาติบ้านเมืองไม่ได้อะไร โดยศาสนาไม่ได้อะไรที่ควรจะเหมาะสมแก่สถานะตำแหน่งนะคยกตัวอย่างว่าเป็นพระเช่นๆสมมติว่าเป็นเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยแต่ละเดือนในมีสวดสวันๆัเนี่ ย, ม, ยมาไล่สาระมันไม่ใช่งานเขาแต่งตั้งให้เป็นนักบริหารดูแลวัดวาอารามต่างๆพระภิกษุสามนเณรสารทุกสุขดิบของพุทธบริษัททั้งหลายอย่างน้อยที่สุดในแวดวง ไนพระบวงใ น, นวัดวาอรานต่างๆเนี่ยเป็นมันง่ายนะแต่ว่าเป็นให้เป็นเนี่ยมันยากงานที่เคยยกตัวอย่างอหละคือมันพิมตัวอย่างที่จริงมันธรรมชาติมนต์ไมยความว่าเป็นเนี่ยมันเป็นภวะตันหากับกรรมตันหาแล้วก็เจือด้วยสัตสตทิทิิคือความเห็นว่าเชียงเ พ, พราะอันโพนี่ถูกถอดเลยจะโศกมากเพราะแกคิดว่าแกเป็นจนตายเลย แต่แกเป็นสูงขึ้นไปแกไม่ว่าอะไรหรอกนะแต่ว่าพอถูกลดตำแหน่งแล้วก็ช็อกเลยเพราะอะไรแกแกมีสัญชาติทิฏฐิคือเห็นว่าเที่ยงแท้มันเกิดไม่เที่ยงจริงคือมันไม่เที่ยงอ่ะมันไม่อะไรเที่ยงแล้วเธอไปคิดว่าเที่ยงเธอคิดผิดเพรา ะ, ะนั้นเราจะเห็นว่าตรงนี้คือหลักการสําคัญที่ทําให้ผู้บริหารเนี่ยสามารถแจกแจงทรัพย์สินเงินทองอ อะไรต่างๆเนี่ยทนทนุบํารุงข้าราชการอาณาประชารัศดรแล้วก็การสังคมสงเคราะห์แต่ลอดทางการสังคมสุเคราะห์คือการสังคมสุเคราะห์นี้ให้เลยนะฮะการสังคมสงเคราะห์นี้ให้เลยจึยงอยู่ในข้อปุริสะเมะตทะเป็นดุดพวงมาลัยคล้องใจคนเอาไว้ทีนี้พอมาถึงสัมมาปาสะเนี่ยที่แปลว่าบ่วงบ่วงคล้องใจเหมือนกัน เป็นมาลายคล่องใจคนเหมือนกันแต่มีข้อผูกพันนั่นก็คือเดิมทีเดียบไม่ใช่ไม่ใช่เดิมเดียวคือหลังจากพระเจ้าสมัยพระเจ้าโอกากากราชเนี่ยจนถึงพุทธกาลเนี่ยบอกว่าเป็นการโยนไม้ลอดบ่วงไม้ตกตรงไหนก็สร้างเวทีขึ้นตรงนั้นแล้วก็ตั้งเครื่องบูชาบนเวทีนั้นโดยทำให้เป็นเวทีเคลื่อนที่ได้เหมือนแพผู้บูชาก็ดำน้าลงไปในแม่น้าสรั ะตีแล้วก็โผล่ขึ้นตรงไหนก็ทำวิธีทวนกระแสน้ำขึ้นไปจากส่งนั้นก็ก็ไอพวกรงอาบน้ำเนี่ยเราสังเกตเห็นไหมโยฮันในพระคิตธรรมกัมพีก็ก็ลงอาบน้ำเหมือนกันก็เป็นความเชื่อนฮะเป็นความเชื่อสมัยโบราณแต่ก็ดีนะก็ดีกว่าตากแดดคือมันไม่ร้อนแล้วก็ พระเจ้าก็ทรงแสดงว่ามันเป็นหลักการที่ได้การเรียกหนังสืออกรมธันเงินกู้แต่ว่าชาวบ้านเนี่ยที่ขัดสนแล้วพระราชาก็พระราชท า, านทรัพย์ไปกู้โดยเรียกดอกเบีย้ยภายในสามปีขึ้นไปนะฮะหมายความมามีระยะเวลานี้อยู่ก็แล้วแต่ภารกิจแต่ภารกิจการงานเช่นสมมุติว่าก็กู้ไปขายก๋วยเตี๋ยวเนี้ย มันก็ควรจะ้สักปีก็พอแล้วควรจะผ่อ่อนผ่อนได้แล้วแต่ว่ากู้ไปบางครั้งเนี่ยไปทําสวนยางอย่างเงี้ยมันก็ต้องให้เวลาก็สักเจ็ดแปดปีมันก็แล้วแต่อะไรแหละสรุปว่ามันมีระยะปลอดหนี้ตรงเนี้ยมันมันมันดอกมันไม่เพิ่มทําให้ถึงจุดหนึ่งพอพืชพืชผลมันออกด อ, อกออกผลแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะขายมาแล้วเอาส่วนหนึ่งอาจจะสิบเปอรซต์เอร์ซนตอะไรอะไรนี่มาผ่อนใช้ให้แก่ กองทุนส่วนรวมกองทุนรวมซึ่งรัฐตั้งขึ้นแล้วกองทุนเนี้ต่อไปก็ช่วยคนจนช่วยคนจนไปเรื่อยๆแต่ว่าตรงนี้มันเป็นงานที่ลงทุนไม่ใช่ระดับสังคมสงเคราะห์สังคมสงเคราะห์นั้นหมายความว่าเป็นการสงเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าวันก่อนฟังรายการเนี่ย ว่าการสงเคราะห์ในแต่ละคราวเนี่ยมันมีกระบวนการคนที่สงเคราะห์ตลอดถึงบริษัทที่ขายสินค้านี่นะช่อฉนตลอดเส้นทางอาตมาเคยเคยรู้สึกสลดใจนะฮะสมัยแหลมตลุมพุกมีผ้าห่มนอนจากอิตาลีสามพันผืนส่งมาเนี่ย ถูกผ้าอื่นยัดไส้แทนหมดไม่เหลือสักผืนหนึ่งเลยแล้วก็เราก็ไปเจอนะฮะการสงเคราะห์ที่ปลายทางบางทีไปเจอผ้าอกอาวาอ่ะเพราะนั้นกระบวนการนี้ท้าใจไม่สะอาดแต่แย่นะคือมันกินเลือดเนื้อชีวิตของคนประสบปัญหาเลยแล้วบาปนะบาปมากนะมันเขาเรียกว่าอะไรช่อราดบังหลวงหลอกลวงประชาชน เป็นเปิดประตูนรกรอกันไวเลยเลยเดียวงานตรงนี้จึงเป็นงานเป็นกระบวนการที่ทำด้วยจิตวิญญาณจริงๆเพ ร, ระาะนั้นเราต้องใช้คนเยอะในกระบวนการนี้และถ้าคนไม่สุจริตแล้วก็จบจบซีดกันเลยปัญหาคนเป็นปัญหาใหญ่มันหนึ่งที่คนสองที่คนสามที่คนนย่าที่เคยบอกกับคงจือเจมืองลูกเขาถาม เราทำยังไงจะปกครองบ้านเมืองให้อ น, นาประชาราษดรเย็นเป็นสุขได้ขอยบอกกันสักสามข้อนะแก่จะปฏิบัติได้ได้คงชื่อบอกว่าหนึ่งจงให้การศึกษาแก่ประชาชนพอถามสองสองก็จงให้การศึกษาแก่ประชาชนพอถามสามแกก็บอกจงให้การศึกษาแก่ประชาชนซึ่งความหมายของคงชื่อไม่ใช่หมายถึงการศึกษาที่เราพูดดังนี้อย่างเดียวนะฮะที่เราเรียนกันทำไมนี้อย่างเดียว เพราะคำสอนคงจื้อจะมีคุณธรรมกำกับหมดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือกตัญญูทีนี้คนเราถ้าใจกัตัญญูแล้วมันก็พอแล้วนะกะตัญญูดิมันไม่มีอะไรที่ไม่มีอุปกรณคุณเราอากาศดินน้ำลมไฟอ า, อากาศทั้งหลายนี่เป็นมีอุปการอุปการณคุณเราทั้นั้นหลยกตัญญูเป็นปัญญาเป็นตัวขจัดโมหะแล้วก็เป็นตัวทำลายลด ความรุนแรงของอาิชาสํานึกคุณแม่ละเมียดละไมนะอย่างที่โบราณท่านพูดถึงว่ากินบนเรือนอย่าถ่ายรถลังคาบางทีเราพักพิงหลบฝนริมบ้านเขาครั้งเดียวเนี่ยนั่นคือหนูคือคุนอุปการที่เราได้รับจากบุคคลเราทั้นพระราทาเป็นตัวอย่างนะฮะพระภาษาลีบุตรที่เป็นตัวอย่าง รับอาหารเพียงทับพีเดียวจากพรามชราคนหนึง่งท่านสนองคุณพรามชราคนนั้นโดยจัดการบวชให้ท้งๆ ท, ท, ที่ใครไม่ยอมบวชให้เพราะเห็นว่าเป็นคนแก่แต่ท่านบวชให้แล้วก็ฝึกปลือ้อบรมจนบรรลุมรรคผลเป็นพรานแล้วก็ประลาธานไม่เบานะเป็นพระบวชโดยวิธีปัจจุบันในรูปแรกแต่ว่าเป็นพระระหันตนแก่มาก แล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมากเพื่อนวิธีการเหล่านี้จึงเป็นการสงเคราะห์คนยากจนหรือประชาชนผลเมืองเหมือนพัวมาไัยครองใจคนดูแลความสุขทุก ข, ของคนยากจนหรือคนส่วนรวมแต่ไม่ประชาชนเลื่อมใสผู้ปกครองแล้วก็รัฐบาลอะไรก็ตามเลยองค์กรอะไรก็ตามตรเนี้ที่จริงเนี่ยคือทำยังไงว่าเรา ไปเล่นอิดเล่นหินกันเยอะบ้านเราเนี่ยเสียเวลาไปเรื่องเล่นอิดเล่นหินเนียเยอะมากเสียเงินเสียทองไปนะฮะจนดินจนดินไปเลยเนี่ยเล่นอิดเล่นหินไปทาให้ความร่ำรวยมันกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มเล็กๆแต่ความยากจน ม, มันกระจายตัวซึ่งไม่ใช่เดี๋ยวนี้เมื่อไหร่นะ่มันนานมาแล้วนะนานมาแล้วลักษณะเหล่านี้เป็นปัญหาค่าแผ่นดิน อะทำไมตั้งแต่รับรู้เดียงสาเป็นต้นมาเนี่ยมาว่ายังยังยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเท่าไรเพราะว่าคนขี้โกงก็ยังเยอะเหมือนเดิมการเอาแรดเอาเปรียบกันก็ยังเยอะเหมือนเดิมความรุนแรงประนัดยา ก, กรรมก็ยังเหมือนเดิมเพวืวิธีการเนี่ยมันต้องกลับไปสู่สาศาสนากับการศึกษาได้ ศา ส, สนาการอึกษาต้องมีบทบาทร่วมกันไปแล้วการปกครองเองเนี่ยก็เหมือนกันฮะต้องมีธรรมะเข้าเป็นหลักเป็นน้ำใจที่เรียกว่ารักมนุษยชาติน้ำใจของผู้อภิบาลเนี่ถ้าเราไม่สมัครใจทำอยากเป็นที่มันยุ่งเนี่ยคือไม่อยากทำแต่ก็เป็น คือการทำงานเหล่านี้เป็นงานเหนื่อยนะฮะเป็นงานเสียสละเป็นงานทุ่งเชและตัวเองเนี่ยกินเวลาไม่เคยเป็นเวลาเพราะฉนั้นคนทำงานน่ะพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโรคเกี่ยวกับทจ้าท้องมันถึงเวลากินไม่ได้กินเวลานอนไม่ได้นอนงานไม่ยังผูกพันรัดตัวอยู่แต่นั่นคือคุณค่าแท้ของชีวิตเกิดมาขอยได้ให้บริการนะ่ะ ให้ได้รับให้ให้ได้บริการคือเรารับบริการพออย่างอัตภาพไปเป็นไปแต่ว่าบริการให้มากคือสังคมที่ยากร้ายเนี่ยถ้าเราขาดการบริการการช่วยเหลือคือกุกันยังไงเราก็ยากฮะเราเรียกร้องสามาคัคคีแต่ไม่มีคุณอุปการมันสามัคคียากสามัคคีคือเดินทางร่วมกันเนี่ย ในความมาเดินทางไปด้วยกันก็เป็นอนหนึ่งเดียวกันคล้ายๆกันเนี่ยคล้ายๆกันอไอ้ตาหูจมูกนิ้กาดใจของเราเนี่ยมันทํางานประสานกันมันจําเป็นจะต้องรับผิดชอบในจุดเดียวกันหรอกรับผิดชอบในจุดที่คุณรับผิดชอบกันและกันแหละมันก็จะเกิดเป็นสามขีเข็นมาประการต่อไปคือวาชาเปย์ยะ เดิมนะฮะเดิมทีเดียวเนี่ยต้องคาาสัตว์17ชนิดตั้งเสาไม้มาตูมส7บเจ็ดเสาเพื่อเป็นหลักสำหรับผูสัตว์สำหรับบูชาเทพเจ้ามีการดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพิธีนั่นด้วยพระเจ้าทรงอธิบายอธิบายว่ามันเป็นพระราชสังฆะวัตถุมาเป็นการดื่มน้ำคำคือให้ผู้บริหารบ้านเมืองเนี่ยสื่อสารกับอาณาประชาราษฎรด้วยวาจาที่ไพเราะอ่ อ, อนหวาน เขาได้สัมผัสความอบอุ่นความเป็นมิตรความเชื่อมั่นความศรัทธาเอาใจเข้ามาให้ได้คนเร า, าเท่าใจมาได้มันมาหมดแล้วไม่ใช่มาคนเดียวมาเป็นครอบครัวเลยเป็นสกุลเลยทำไม่ได้สิตัวอย่างคือคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่เ น, นี่ยเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วพรร่งอยู่ภายในใจของอนณาประชาราสสารทุกคนแล้วทุกคนเนี่ย ก็พร้อมที่จะเสียสละเราอาจจะพูดทุกคนไม่ได้นะฮะแต่เรียกคนส่วนใหญ่เนี่ยพร้อมที่จะปกป้องพร้อมจะเสียสละเพื่อพระองค์เพราะอะไรเพราะว่าพระองค์มีคุณูุปการมากแล้วก็พบเห็นการแน่นอนว่าบางคนไม่รับโดยตรงหรอกแต่ก็รับโดยอ้อมดังนั้นคือภายใต้ร่มพระโพธิสมภาร เพราะฉะนั้นถ้าเราสื่อสารเนี่ยปัญหาเรื่องสื่อสารเป็นปัญหาใหญ่เราสื่อสารกันให้ถูกต้องชัดเจนปุดจากันให้เกิดความเข้าใจแล้วก็อย่าพูดหลายเรื่องอเอาเรื่องหนึ่งให้ชัดให้เห็นเป็นรูปธรรมแล้วก็ค่อยคอยพูดปุยยาวเกินไปจำไม่ไหว เขอไปในข้อต่อไปในรั ก, กละเป็นการบูชายันที่ฆ่าหมดทั้งสัตว์และคนหรือบูชาด้วยเครื่องบูชาทุกอย่างเรียกวยสัพพเมทะแปลตามศัพท์ว่าการบูชายันชนิดที่ทำลายอุปสรรคทุกชนิดวิธีการคล้ายอสเมทะแต่พระพุทธเจ้าทรงอธิบายนะว่าเมื่อประาชาชงปกครองบ้านเมืองด้วยราชสังหศีประการข้างต้นแล้วเนี่ยความพาสุกจะเกิดขึ้นในแผ่นดิน บ้านเมืองจะมั่งคั่งสมบูรณ์ไม่มีโจรผู้รา้ายประชาชนจะมีแต่ความบันเทิงใจบ้านเรือนไม่ต้องลงลิ้มกรอนลงกรอนเปิดประตูทิ้งไว้ก็ไม่มีโจรขโมยแต่อย่าลืมว่านิรักะเนี่ยมันมันมันจะต้องมองสองด้านมันมีอุปสรรคอยู่แล้วทำยังไงอย่าให้เป็นอุปสรรค เวลานี้เราจะเห็นว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆในการนำพาแม้แต่วัดเองนะแม้แต่นำบ้านเองอะไรแต่โอ้บรรพบอุปสรรคนั้นนมันต้องขจัดอุปสรรคให้ได้เสก่อนอะไรเป็นอุปสรรคอะไรเป็นปัญหาอะไรเป็นอุปสรรคอะไรขัดขวางเอาไว้มันต้องขจัดปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นแล้วถ้าเราไม่อะไรล่ะเหมือนจะนอนอะ่ะคือถ้าไม่กวาดพื้นน่ะมันดีมันก็คันน่ะมันต้องอะไรก็ต้องปรับต้องเตรียม ต้องเตรียมที่จะเดินทีนี้สมมุติว่าสมมุติว่าเนี่ยเราจะมีสมาปะสระเราจะมีการส่งเสริมการลงทุนให้แก่ราษฎรทํารายละเอียดมาทําโครงการมาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นเสร็จแล้วราษฎรไม่ซื้อสัตว์เอาไปกินเล่าหมดเลยเอาไปซื้อมอเตอร์ไซค์เอาไปซื้อโทรศัพท์มือถือเอาไปซื้อรถอะไรล่ะไม่ใช่รถเก๋งหรอกรถรถรถเนี่ยรถปิกอัพเนี่ยก็เสร็จแล้วเห็นไหมว่า อันนี้คือปัญหาประสัคเพราะคนเนี่ยมันต้องแก้ที่ปัญหาประสักอยู่แล้วก็ต้องเตรียมความพร้อมก่อนถ้าไม่พร้อมเนี่ยงานเหล่านี้มันไม่ได้ทําไม่ได้อีสีข้อเนี่มันทําไม่ได้แม้เราจะพูดจาไพเราะยังไงก็ตามแม่เธอไม่เข้าใจอ่ะไม่พูดกันไม่รู้เรื่องไม่ยอมรับฟังเพราะงบวนการตรเนี้มันจะทํำยังไงที่เราคุยเรื่องบูรณาการกันเนี่ยบูรณาการคืออะไรอ่ะ แล้วลองอธิบายวิธีบูรณาการดูว่าบูรณาการคืออะไรบูรณาการแปลว่าองค์รวมใช่ไหมฮะองค์รวมก็ที่จริงแกงหม้อนั่นก็บูรณาการแล้วมาจากเครื่องประกอบต่งตางๆเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยแล้วก็กลายเป็นแกงชนิดนั้นๆเพนต้นเหเนี่ย เ, เราปัญหาประสาท ก, ก็คือการไม่ทําความเข้าใจกัน อย่าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รับสั่งเรื่องภาคใต้ว่าเข้าถึงเข้าใจพัฒนาเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะภาคใต้แต่ที่จริงแล้วทุกส่วนของประเทศทุกส่วนขององค์กรแม้แต่สามีกับพัญญา่าจะต้องเข้าถึงซึ่งกันและกันเข้าใจต่อซึ่งกันและกันแล้วก็พัฒนาตนเองครอบครัวไปด้วยกันเพ่อความเป็นไปเสียงทําจากหม่อมเจลัยศรยีวัฒน์ในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุ์ในธรรมยังมีแต่ท่านผู้ฟังทลายโดยทั่วกันสวัสดี